ฟังคำฟังคาพูดฟังแล้วไม่ใช่จำเอาฟังแล้วเอาไปทำเราก็เอาใจการกระทำของเราฝึกตนฝุกตนบันติดยอมฝึกตนช่างถากก็ยอมถากช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศร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 ตัวโลดจากนี้แหละมันจะปปรับตัวหลงตัวหลงเป็นกิเลสอย่างละเอียดความโกรธความทุกข์มือนเป็ น, นกิเลสอย่างหยาบตัวหลงอยู่ตรงกลางตัวโลดตัวโกรธอยู่สองสองขอบสองข้างถ้าหลงมันก็โกรธได้ถ้าหลงมันก็โลดได้ถ้าหลงมันก็ทุกข์ได้ ถ้าหลมก็ลักก็ชังถ้าหลงก็ปรุงก็แต่งเกิดก <c oughs> ิเลสตัณหาราคะเกิดสารพัดอย่างทั้งที่เราสวดอธรรมย่อมนำไปนรกทำย่อมนำให้ถึงสกุลตัวหลงน่ะเป็นอธรรมตัวหลงนเป็นบิดาของความชั่วตัวรู้สิตเป็นบิดามรรดาของความถูกต้อง มันก็มีแต่ตัวลู้ตัวหลงเท่านั้นแ่ละชีวิตเราจนใหญ่ใหญ่สิ่งที่เกิดลี้กิจชีวิตของเราทั้งต้นจากจุดนี้ตัวลู้กับตัวหลงลดูดีๆเกิดมาแล้วมาถึงจุดนี้คนนี้แล้วตัวหลงกับตัวลู้อันไหนมันมากกว่ากันทีนี้เราจะลู้เราจะหลง ก, ก็อยู่ด้วยฝีมือของเราด้วย ก, การกระทาของเรา ตัวหลงตัวรู้ไม่ใช่ไปคิดมัวแต่คิดเอาเหตุเอาผลมันไม่ใช่ต้องลงต้องลงฝึกไปคิดกับความหลงโดยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับรูกแบบเท่าไรเท่าจริงๆแล้วแต่เราก็ต้องฝึกรู้แบบ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่ง แต่ตัวลู้สึกเก่งๆเนี่ยหลังจากสมัยหนึ่งผมไปกรุลปูอินโดนมาเลเซียไปสอนธรรมที่สิงคโปร์แล้วก็มาเยี่ยมนักปฏิบัติทำพระที่มนมาสอนที่กรุลปูกุลปูกุลปูเอะไว้ที่สำนักปฏิบัติ ในอาจารย์องค์หนึ่งไปสอนอยู่ในป่าเขาไปไปเยี่ยม <c oughs> ก็ขึ้นไปบนกติ ข, กษษษของท่านลูกศิษยของท่านก็เคาะประตูท่านติดประตูอยู่ในห้องเราก็ไปนั่งกราบพระหน้าครองอก ว, ว่าว่าสักเท่านี้แหละประตูก็อยู่อย่างห้องนี่แหละ แม่นก็น้าคองก็เหมอือนตรงนี้แหะก็อน <c oughs> ที่ท่านจะออกมาเนี่เป็นครึ่งชั่วโมงออกเปิดประตูค่อยๆเยม้มออกมาพอเย้มแล้วก็ค่อยย่องมาก้าวย่องมามาแล้วออมากราบ ย, ย่องค้อยไม่ได้ดูเราเลยนั่งหลับตาไปคอย เราก็โพดมีถุกสิดมีโยมก็โคดว่าอาจารย์ม า, า, า, า, า, า, า, าจากนอนจากที่ <c oughs> <c oughs> นั่นก็ไม่ได้พูดได้จาอะไรนั่งหลับตาปีอย่างนั้นอย่างนั้นหรือปฏิบัติทธรรม ấy, ก็ดีอย่างนั้นก็ดีแต่มันเป็นความจริงของชีวิตไหนความจริงของชีวิตเราต้องดูความจริงของชีวิตเราเราต้องดูต้องได้ยิน ต้องได้เห็นต้องได้สัมผัส พ, พอตาใสการพบปะให้มันสำเร็จประโยชน์ความรู้สึกตัวจริงๆมันไม่ต้องเดยระวังกวกนนั้นหรอกมันถ้าจะว่าไวาก็วาจะวิ่งก็ได้นี่นาะไม่เป็นไรนะจะเื่นตาก็ได้จะไม่ต้องย่องกรนด่นก็ได้เดินด้วยความรู้สึกตัวก็ได้ แต่เราสอนในคนทั้งโลกไปอย่างนั้นมันจะไหวเลยรถลาข้ามถนน้นนทางไปย่องอยู่นั้นมันจะได้ฝึกเวลาฝึกเอานั่งก็ได้แต่ว่าอย่าไปใช่แบบนั้นเป็นกฎสากลเป็นหลักสากลการกวางรู้จักตัวไนเอายังไงก็ได้จะวิ่งก็ได้จะขับรถก็ได้ แต่ถ้าความรู้สึกตัวเนาะตัวไม่หลงเนี่ยทํำอะไรก็เป็นเหมาะแก่การงานถ้าตัวหลงเราทํำอะไรก็ไม่เหมาะตัวรู้สึกตัวเนี่ยตัวรู้เป็นมหาสติเป็นสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่กํากับความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความรู้หมเหมือนกับทั่วทั่วไปความรู้มันโตดตอบทักท่วงตรวจสอบความรู้สึกตัว่ะ พอมันคิดก็กอรู้แหละก่อนที่มันจะทำบาปทากรรมมันต้องคิดมันต้องหลงแสดงออกไปทางกายทางวาจาจแสดงไปทางใจความหลงสั่งใจสั่งกายสั่งวาจาทาการกระทําเกิดขึ้นแต่เรารู้สึกแน่แล้วก็สั่งให้ทางที่ถูก เราจึงสร้างตัวลู่ตัวลู่จุดตัวนี่แหละเป็นคนธรมบัติของพระรยเจ้าพระรีเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปในความลู่จุดตัวปชุงกันยังปริมุขขังสเตงอุปตะเปตตวาผู้มีสติเป็นหน้าโลกหมั่นตะขีนาศผู้มีสติเป็นวินยัยตะขีนาศก็คือพระอรหันต์นั่นแหละ มีสติเป็นวินยัยอ่อสตินี่แหละเป็นวินยัยเป็นกฎเกณฑ์สติเป็นหน้าลอบเราจะมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวน่ะให้มันมากๆกลองดูด้วยมือของเราด้วยการกระทําของเรา เราเรียกว่าบุญวาสนาเราวาดก็คือลิขิตเอาแต่งเอาทำให้มันเกิดทำให้มันมีขึ้นโดยการกระทำของเราเองไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละเราลูกเดี๋ยวนี้อ่าอไปชั่วงข้างหน้าเราก็จะต้องลูกอีก ที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้าที่สีที่ห้าก็จะรู้มาแล้วรู้ไปเรื่อยไปปัจจุบันคือความรู้นตัวนี้เัาจะลิขิตไปปัจจุบันมันรูด้ดีอดีตที่ผ่านไปมันก็ดีอนาคตมันจะดีต้องมั่นใจเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่า <c oughs> บางคน สมัยหนึ่งไปสอนทำที่ลุมพินีใน5167ไปสอนกับอาจารย์โตทิลักษ์กับอาจารย์ธรรมัโลต้ออาจารย์ดรลวีพาวิไลไม่มนไปสายอาจารย์โพธิลักษ์สาย ไม่ใช่ไม่เรียกวันสายก็ได้คณะอาจารย์ปอธิลักคณะอาจารย์ธรรมทตโลคณะหลวงปอเทียนผมก็เทศเรื่องสตินี่แหละอาจารย์ตัวที่าารท เ, ท เ, ทรเราบออะไระไรก็สติต้องสินก่อนสติมันต้องสุดท้ายน่นต้องสินก่อนเน้นเราจากสินก่อนโอ้ถูกของท่านเราไม่เราไม่ว่า แต่ว่าเอาดูดีๆนะก่อนที่จะมีสินนะ่ะมันเกิดเลยอะไรตัวตั้งให้เกิดมีสินก็คือตัวรู้สึกตัวนี่และพอรู้สึกตัวก็เป็นศินแล้วมันปกติแล้วอืคนที่จะมีสินมันต้องมีสติโนนสินเนี่ยรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเนะี่ยตัวสติมันรักษาอยู่แล้วความรู้สึกตัวมันจะทําอะไรพอมันคิดจะมากระรู มันยังไม่ได้สั่งใจเลยมันยังไม่ได้สั่งกายมันยังไม่ได้สั่งวาจาคนจะปิดศีลมันต้องสั่งใจมันต้องสั่งวาจาสั่งกายถึงไปเป็นศีลโดยเฉพาะศีลสังขปิศีลสามัญยลักตนะมันต้องพูดมันต้องทำถึงปรับอบัดได้อืมนะเขาไม่ไก้ปรับตั้งแต่คิดหรอกคิดนี่จะคิดยังไงก็ได้เขาปรับไม่ได้ศีล สามัญเนี่ลักษณะสินสังคมเนี่ยแต่เธอสินสิขาเนี่ยเขาปรับตั้งแต่ความคิดโน้นพอคิดเราเขาก็ปรับแล้วถือว่ามั่วหมองแล้วสินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วร่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> สินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วจยางในสุนสังโยก คิดถึงการเก่าใครหัวเราะเคยมองตาใครซิกซี่กลับมาทุกคํำก็ถือว่าสินของเธอเธอรู้แล้วด่างแล้วพ้อยแล้วชิดถือว่าผิดสินแล้วเพราะสติเท่านั้นที่จะไปเห็นชิดน่ะลองคิดกับรูปปั๊บสอนแล้วสอนผิดเราแล้วปกติขึ้นมาแล้วเป็นสินแล้วรักษาสินแล้วนั่น มัมคิดกึมาคุู้้สักนึ่นั่นหละสำรวมระวังแล้วถ้ามีสตินี่ถือว่าพระพุทธเจ้าเขยังอนุญาตนิสัยมุตตะกะหนึ่งพันษาห้าพันษาถ้าไม่ถึงห้าพันษาก็เรียกว่ามุตตะกะยไม่พ้นมุตตะกะจะไปไหนมาไหนต้องมีพี่เลี้ยงมีคุว า, าจารแต่ว่าถ้าหากว่าภิกษุใ ด, ดมีสติ มีสติดีสามารถที่ไปคนเดียวได้แม่ไม่พันสายังไม่ถึงห้าโน่นพระเจ้าให้เกลียดปบนนั้นแหะคนมีสตินะยังไม่ถึงห้าพรรษาถ้ามีสติก็สามารถที่ไปคนเดียวได้ถ้าไม่มีสติต้องห้าพรนสาก่อนได้ยินได้ฟังได้อบรมได้รู้ได้ยินได้ฟังมามากเพียงแต่เอาตัวรอดได้ ถ้ามีสติเนี่ยวันเดียวก็ได้ทาไมเป็นไรถ้ามีสตินะ <c oughs> <c oughs> มีสติก็มีความเพียรนันแล้วความรู้สึกตัวทำดูมันจะอุ่นใจขนาดไหนเรามีสติเนี่ยดูมันอยู่เนี่ยดูมันอยู่นี่ ตัวรู้ตัวดูตัวเห็นอยู่เนี่ยบอกสอนตัวเองอยู่เนี่ยพอพอมันคิดขึ้นมาก็สอนมันรู้สึกทันทีก็อสอนจิตแล้วมันคิดไปมันหลงไปสอนทันทีได้ทันควานประสบการณ์บทเรียนทันทีถ้ามันไม่คิดไมุ่งไม่แต่งก็รู้กายอยู่นี่ เสื่ไว้เจตนาโู่อยู่ทัองโู่ทังงง้งหลงหลงเท่าใดก็โู่มันไหวหลงก็โู่อยู่ที่หาเรื่องที่จะโู่อยู่เสมอเป็นกรรมเนี่ยเป็นฐานเป็นกรรมเป็นที่ตั้งเป็นกรรมฐานกรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตของเราจริงๆไม่ต้องไปอ้อนไปวอน ไห้ต้องไปเาะล่องยกเบอรอ่อนบสาตัให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีแผลรูปแบบสนไปจุดโทษจุดเทียนเริ่มหนึ่งเทียนหมดจงแกนอนจุดเดินจะเดินจะกลมจุดถุษไว้พอโทษพอจุดโทษเราก็กกเดินโทษหมดึงแกนั่ง พตทุบหมดแล้วนั่งจุดทูบ อ, อกดอกนัง่งนั่งสร้างจังวะถ้าทูบยังไม่หมดก็ยังไม่ลุกก็ดีแบบนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วให้มั่นใจกับตัวติเถอะอย่าไปมั่นใจกับวัตถุเชิงรื่ น, นเราจะลุกเราจะนั่งเราก็ต้องรู้สึกตัวอยู่ บางทีไม่ต้องมาทุกกําหนดหรอกเรากําหนดเรามั่นใจเราจะลุกก็เป็นเรื่องของเราเราจะนั่งก็เป็นความรู้สึกของเราสืดไปหัดไปลูกไป <c oughs> ในความรู้สึกตัวเอาให้มันใ ช, นชนน้ในชํานาญในคล่องกับความรู้สึกตัว ก็จะไปสร้างล่ะแก่อนที่มันจะมีก็ต้องสร้างขึ้นมาถ้ามันมีแล้วไปใช้ได้แต่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่มีก็จะไปใช้ก็ไม่ได้มันก็เรามีเงินเนี่ยหละถ้ายังไม่มีก็คิดจะใช้คิดจะอยากได้อนโนุ่นเนี่มันก็ไม่ได้ต้องหาเงินมันต้องเปเทศจเหมืนหน้องแวง บวชงานศพบวชหน้าศพบ่าวบวชอุทิศให่พ่อให้แม่ลูกชายเท่าไรเข้ามาบวชกันหมดหกเจ็ดคนทั้งโลกทั้งหลานทําเป็นพิธีเฉยๆมันก็ไม่ดีตอนที่จะบวชอุทิศบวชหน้าศพต้องบวชมาจากคําว่าอะไรคำว่าบวชคือบอลไม่ไหมวอแหวนชอช่างมาจากคําว่าปวชะ วัชชะตัวนี้ก็แปลว่าดําริหนีจากความชั่วมาทําความดีไปสู่ความดีทิ้งความชั่วทั้งหมดเรามีเวลาใกล้ๆสั้นๆนเอาเตรียมให้ดีๆเราต้องหนีจากความชั่วคิดไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วใส่ใจตัวนี้มากมาชั่วช่างสวัสดิของวช่วโง่แรกลืน่นไม่ใช่เป็นหัวหล่นหงพอเลืองแล้วก็มาโบดหน้าศพ ให้มันหมายลึกซึ้งเข้าไปกว่า น, นั้นอา้าวสีชั่วโมงต่อไปนี้เราจะต้องต้องอยู่อย่างไรจะมันเกิดขึ้นเรืว่ความชั่วไม่พูดไม่คิดไม่ทำํำให้มั่นคงถ้าเรามีความดีเนี่ยแต่เราละความชั่วทำความดีกิดบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นบุญเราอุทิศส่วนบุญนี้ได้ถ้าเรายังไม่พังถ้าเรายัางไม่ฝึกอะไรเลยมันจะอุทิศไม่ได้นอกจากเราไม่มีบุญจะ อ, อุทิศบุญไปได้อย่างไร มันมีบุญคือมีความดีบุญคือจิตใจที่มันดีใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระบุญคือใจดีถ้าใจดีมันก็นมีความสุขแต่าบาปคือใจร้ายถ้าใจร้ายมีทุกข์เราเป็นความทุกข์บุญคืออิม่มคือเต็มอิ่มใจเต็มใจสุขใจให้ได้สัมผัสอันตัวบนุนนี่แล้วก็สามารถติวให้ได้ อนความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปสัมผัสลองดูพอมหลงมันเป็นบุญเป็นบาปสัมผัสลองดูตัดสินใจเป็นปัด จ, จัดทงังรร่้เองแต่เราลู่ไปลู่ไปโอ้ยพอมันหลงก็ตกใจเหมือนกับว่ามันเปิอเพื่อนความับหลงเป็นกิเลสจังเป็นต้นต่อจริงๆลนะ่ะโอ้มันอยู่ตรงนี้นเองตอนหลงก็คิดไปไปคิดไปก็ เปื่นอนหรอถ้าเห็นเนี่ยไม่เปื่อนพอมันคิดกับรู้ทันทีไม่เปเลือ่อนรเพราะว่าที่ดูที่รู้ที่เห็นเนี่ยเป็นปทมจันบุรีชุดนี่คือปปเปลือยโทมจันแต่จะเรียกว่ามร ก, ก็คือภาวะที่ดูนี่แหละภาวะที่ดูเนี่ยเป็นมรกเลกําลังดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยรู้อยู่นี่นี่แหละ ว, วิถีของมร ลูอยู่ก็เหมือนกับก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆไกลจากความหลงไปเรื่อยๆไกลจากความหลงไปเรื่อยๆตัวลู่ตัวดูเนี่ยเวลาใดมันหลงลู่ปั๊บไม่เฟื่อนเลยไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่ได้คิดไม่ได้มีอารมณ์ไม่ย่อมจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นโปรโมชั่น ความไม่จัน์ก็คือหมายถึงภาวะที่ไม่เปดตื่อนทางกิตวิญญาณเพราะตัวรูสึกตัวเป็นกฎเจนวันที่สุด่อมีศีลมีแล้วจึงจึงเห็นเป็นแล้วจึงรูนะ้นะมีศีลปกติทั้งหลายวันเพราะตัวรูดึกนี้ทำให้บริสุทธ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 ใช่ดูแล้วโอ้เป็นสินิจิงสีเลนะสุกเตียงยันติสีเลนะพอกัสัมปทาสีเลน ะ, ะลนะนี่ปุตติยันติเปนสุขเป็นพอกับชอบทางปัญญาไม่จนไม่จนกรอบไม่จนกรอบต่อโลกต่ออารมณ์ต่อการตรงแต่งม่ช่องมีทางผ่านได้ เป็นทางผ่านไม่ตันกรจราจรของกิจไม่ติดชีวิตตปรตรงถ้าเป็นทางก็เป็นฟรีเวผ่านได้ตลอดหรือไฮเวเป็นทางผ่านได้ตลอดถ้าเรามีสินทำให้จน สีเหลืนง้นปุตติยันติก็เย็นผ่นานคิมลองปล่อ ย, อยวางหยุดเย็ น, ยนไปเรื่อยๆปรากฏว่าได้ผลสัมผัสตัวแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นปัด จ, จับตังค์ ใ, ใครจะว่าเราไม่มีสินเป็นเรื่องของเขาพอเรากินข้าวมันอิม่มความอิม่มอธิบายไม่ได้คนจะบอกว่าเรายังไม่อิม่มเรายังไม่อิม่มคนยังไม่อิม่ม ก็เป็นเรื่องของเขาเรามีสติเขาว่าเราไม่มีสินต้องเป็นสินก่อ น, อนเป็นเรื่องของเขาแสดงว่าผู้ที่ผูอย่างนั้นไม่รู้จักกระบวนการของสินที่เป็นสินสิทธิ์ขาที่เป็นสิลที่ไปถ ล, ล่กินเละกินเละอย่างยากก็คือความโลภความโกรธความหลงตัวนี้แหละความหลงก็ให้เกิดกิเลส ในทางการก็กามมลภาะปฏิะมาหน้าทิศทิศในทางละเอียดก็คือการเกิดดับของน้ำมันลุ่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอาการเกิดดับให้ขันหน้าเป็นขันรุ่นรุ่นอย่ามีอุปทานเป็นเวทนาอย่ามีตัวมีตนอยู่ในเวทนา ปัญญาก็ไม่มีตัวมีตนสังขารไม่มีตัวไม่ตนอินญาณไม่มีตัวไม่ตนเป็นแต่กขันลนล้วนแต่เราไม่รู้ตัวตนเต็มไปหมดสุขก็เราทุกข์ก็เราร้อนก็เราหนาวก็เราหิวก็เราเพรานนต้องลอยตัวลอยบาตรองอะไเพรามันสลายไปเลยนั้นก็บูนีมืบอนีคือลอยบาต มองอะไรเห็นอะไรมันลอยได้ลอยบาทได้ไม่มีตัวไม่ตนอยู่ใน <c oughs> <c oughs> การต่างๆ <c oughs> เห็นแจง้งตะไรการนนการปฏิบัติธรรมไหสบายใจได้เลย ถ้าเรามีสติให้ส บ, บายใจได้เลยถูกต้องที่สุดแล้ ว, ลวเราสร้างจังหวะเรายกมือเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวเนี่ยไปเอาอะไรอีกเรารู้สึกตัวก็ถูกแล้วอะไรที่มันชิดขึ้นมาเรารู้สึกตัวตเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวแล้วเพิ่งเกาเหตียดเอาฝนถ้าความรู้สึกตัวมีมากมีมาก กลายเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดญาณเกิดปัญญารูปแจ้งเห็นรูปประธรรมเห็นนามประธรรมเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมธรรมพอสละอัมมันทำดีอยู่พอสละอัมมันทำชั่วเขาก็เห็นรูปที่มันทำรูป <c oughs> มันทำดี นามมันทำดีลูกมันทำชั่วนามมันทำชั่วมันก็เกิดจากตวนี้แหละมันทาดีมันทำชั่วลูกมันทำนามมันทำไม่มีใครมาทำให้เรานี่คือลูกทำคือนามทำทำมาหนึ่งกระทอทงล่อเรือสองตัวมม่านี่เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ในลูกเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ในนาม บางทีในลูกมันก็มีอาการในนามมันก็มีอาการอาการของลูกมากความร้อนความหนาวความเหิวความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆอาการที่ไม่เกิดขึ้นกับลูกแต่ลูกมันไม่มีอาการมันก็ไม่ใช่ลูกลูกมันมีนามอยู่ด้วยกันมันเป็นรู้จักร้อนรู้จักหนาว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 เดินไนามมันปวดมันเม่อยธรรมชาติแล้วในรูปมันทำนามมันทำธรรมชาติธรรมชาติของรูปธรรมชาติของน้ำแต่ว่ารูปนี่มันก็ตกอยู่นให้สภาพอย่างนี้แหละน้ำนี้นาำ น, านี่อาการของน้ำในความสุขความทุกข์ความเครียดความรอดอความโกรธโลภหลงเป็นอาการของน้ำอาการของน้ำนี่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 พระทธ ศ, ศาลาเมตตังพิสเวกิตังท่าจะขกอนุญาตแก่ อ, อ, กอุปจิเลสีอุปจิริตังปิกสุทั้งหลายพระพุทธเจ้าตันรนะจิตนี่พระพุทธสอนของใสยอยู่แต่เดิมแต่อุปจิเลคือน้ําคืออาการมันจรมาทําให้จิตเศร้าหมองรู้จักอย่างหนึ่มันเรียกว่าลิลขณะปริญญาเป็นปริญญาของจิตรู้จักแก่แกนมันเป็นไปทั้งทํานองนั่น ควารู้สึกตัวมันเป็นญาณไม่เป็นปัญญามันรู้อย่างนี้นะรู้อย่างนี้แสดงว่าปัญญาลอบรู้ในกองสังขารไอ้ใช้ปัญญาลู่โลกพิจัารณาน่ น, นั่นมีมีของเขาแต่ว่าปัญญาพุทธะต้องล่อรู้ในกองสังขาร น, นี่ให้มันอยู่ในกำมือเราชีวิตของเราต้องอยู่ในกำมือเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องมี ดวงดาว ม, มาีฟรหมริกิจไม่ใช่เราจะริกิตที่เของเราเองอวันนี้ก็สว่างแะจะแต่กปีนโอเคนะตัวธรมัดตัด